ก็ทำๆกันนะให้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยก็เป็นความจำความจำในการนำไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่จำเพื่อไปถกเถียงไป เ, เรียกว่าไปถกเถียงเอาชนะคนอื่นนะหรือว่าเพื่อให้เรา ว่าเราเป็นคนรู้มากนะการฟังธรรมก็มันได้ความรู้นะได้ความรู้เนหะมือนเราเรียนหนังสือเราอ่านอะไรมันก็ได้ความรูนะ้ในเรื่องที่เราเรียนที่เราอ่านการเรียนธรรมะนะส่วนหนึ่งมันก็เบื้องต้นมันก็ได้เป็นความรู้นะความรู้ตัวเนี้ยมันจะ มันจะเป็นดูแลมันจะเกิดเป็นความเข้าใจนเะบื้องต้นนะนะเข้าใจในทางที่เป็นสัมมาทิฐนะิเป็นความเห็นชอบนะนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เอาไปปฏิบัติชอบต่อนะนะถ้าเราเข้าใจนะถูกต้องนะมันก็จะไปปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะ แต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกนะการปฏิบัติมันก็จะมันก็จะผิดทางหรือว่าหลงทางไปได้ง่า ย, ายแต่ก็ขณะฟังก็ไม่ต้องไปเข่งเครียดะไรมากนะฟังใหม่ๆนะบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสงสัยบ้าง อ, าอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเวลาเรา เราต้องอาศัยความประสบการณ์ในการภาวนาในการปฏิบัตินะธรรมะเวลาเนเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศนะบางทีท่านก็เทศในหลายระดับตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดก็มีนะบางทีในการเดียวนี่แหละนะสรุปย่อให้เราฟังตั้งแต่ต้นจน จ, นจบก็มีหรือบางรูปอาจจะเทศอีกคนละแบบนะ เฉพาะเรื่อง น, นเฉพาะส่วนก็มีนั้นความรู้ความเข้าใจขณะที่เราฟังนะก็ก็ได้ตามภูมิธรรมของเราเนั่นแหละนะไม่ต้องไปกังวลมากนะเราฟังทำนะก็ส่วนหนึ่งก็ย้อนเข้ามาดูความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราไปด้วยนะไม่ใช่ฟัง เพียงแค่ความรู้ทาี่แ ท, ท้จริงแบบฟังได้แล้วก็ฟังเพื่อสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปด้วยก็ได้นะอืมที่สมัยพุทธกาลนะเวลาคนที่เขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพา ท, ทีฟังไปก็บรรลุ ธ, ธรรมไปพร้อมเลยนะ่ะไม่ได้แบบแยกไปปฏิบัติที่ที่ไหนเลยนะอนะก็ฟังธรรมตรงนั้นนะก็บรรลุ ธ, ธรรมตรงนั้นก็เยอะ อย่างวันมาคบูชาที่ผ่านมานะนอกจากเรารู้ว่าเป็นวันสาคัญในเชิงที่ผระสงค์มาประชุมกันนะพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาทิมโมกอะไรล่ะที่จริงก็เป็นวันที่พระสารีบุตรท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จลงมาที่วัดเบรุวันอ่ะท่านอยู่ที่เขาคิชโกด์นะ พระเจ้าแสดงทำให้แก่หลานของพระสารีบุตรเยอะพระสารีบุตรนั่งอยู่ข้างๆนะถวายงานพัดอยู่ฟังธรทำนะฟังธทรรมตรงนั้นก็เข้าใจธรรมะตรงนั้นเลยนะฟังขณะที่ถวายงานพัดไปนะจิตใจนะเห็นตามนะดําเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงนะก็บรรลุธรรมที่ตรงนั้นอืม นี่คือถ้าเราจะฟังดีๆน ะ, นะฟังเพื่อนอกจากความรู้ละแล้วลฟังเพื่อสังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอในกายในใจของเราด้วยนะเนยถ้าเราฟังแบบนี้ได้นะแล้วก็เราจะไปประยุกต์กับการฟัง อ, งอื่นๆก็ได้นะอืมเลเราฟังข่าวเวลาเราพูดคุยกับใครนี่เนย เราจะเห็นเลยเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกายหรือในใจนะส่วนใหญ่ในใจเนี่ยมันจะชัดนะเช่นความรู้สึกบางทีฟังแล้วสงสัยนะนะฟังแล้วบางครั้งก็นะสมมติถ้าเป็นข่าวบางอย่างนะข่าวไม่ดีนะเขาฆ่ากันตายเขาข่มขืนนะ อ, นอะไรประมาณนี้นะ เราก็อาจจะบางทีฟังแล้วก็อาจจะเกิดความเศร้านะหรือบางคนฟังแล้วเกิดโรรษะความโกรธไม่พอใจนะให้เรารู้ทันนะให้เรารู้ทันความรู้สึกนะความรู้สึกที่มันโกรธความรู้สึกที่มันเศร้าหรือฟังบางอย่างแล้วสนุกมีความสุขนะก็เกิดความรู้สึกเช่นนั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้ผิดหรอกไม่ว่าจะเป็น เป็นสุขหรือทุกข์เป็นดีหรือไม่ดีนะมันก็เป็นอาการของใจที่เขาแสดงให้เห็นนะเราก็แค่แค่รู้มันอย่างที่มันเป็นนะแต่ประเด็นสำคัญคือคนไม่ค่อยแค่รู้นะคนพอเกิดความรู้สึกแล้วก็จะ เข้าไปเป็นกับความรู้สึกนั้นบางทีดีก็จะเข้าไปเป็นกับอาการที่ดีนะสุขพอใจก็หลงไหลกับความสุขความพอใจทุกข์ไม่พอใจก็พยายามจะผักใสพยายามจะนะเรียกว่าหนีมันหรือบางคนไม่รู้หนักไปกว่อ น, นั้นก็คือไปจมกับความไม่พอใจเลยนะไม่พอใจอะไรก็ไปวะ ไปด่าไปว่าไปวิจารณ์ไปทํามันก็หนักไปอีกแต่ทำอย่างไรเราถึงจะเพียงแค่รู้สึกว่าเขาเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเกิดขึ้นไม่ต้องไปเนี่ยเรียกว่าให้รู้ทันใจที่มันบางทีมันไม่พอใจเนาะเช่นมันโกรธมันง่วงหรือมันอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นอารมณ์ด้านลบบางทีมันมจะเกิดความไม่พอใ จ, จเกิดความอยากจะผักใสให้เรารู้ทันอารมณ์ตรงนั้นแหละนะมันคืออะไรมันคือตัณหานะตัณหาคือความความอยากเนะี่ยมันมีสามแบบเนาะนะอยากในการที่เรียกว่ากามรมตัณหานะในการที่เรียกว่า ติดยึดนะในกามคุณนะทางตาหูจมูกลิ้งกายใจนะี่เรียกว่าการมตัตรฐานาะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรมมารมณนะ์ภาวะตันหานะความอยากที่จะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเอานะนะเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาแปลว่าความไม่อยากได้ ไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเอาในในสภาวะตรงนั้นนะเช่นมันหงุดหงิดเราไม่อยากได้ในอารมณ์หงุดหงิดนี้นะมันรู้สึกมึนๆง่วง ง, วงนะเรารู้สึกไม่อยากได้นะอารมณ์แบบนี้อนะะอันนี้คือเรียกว่าวิภาวตัญหานะหรือเราเป็นอะไรแล้วก็ไม่อยากจะเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละนะ เช่นเราทางานมีงานต้องรับผิดชอบแต่บางทีงานอันเนี้ยไม่ชอบเลยนะมันวุ่นวายหรือไม่ชอบคนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ใจนะมันจะไม่ชอบขึ้นมามันจะเกิดภาวะวิภาวะตันหาที่มันมันไม่อยากเป็นตรงนั้นนะหรือหลายคนเป็น ม, เมนนะเร็งไวเนี้ยเออป่วยไม่สบายเนะี้ยมัน ไม่พอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นนะมันอยากจะผักใสออกอันนี้คือตันหานะตังางๆแบบเนะี่ยมันวนเวียนนะในชีวิตของเรานี่แหละนะไม่รู้กี่ครั้งกี่หดนะเรายังภาวนาสาวไม่ถึงไอ้ตัวตันหาะมันเลยเป็นเหตุให้เกิดความความหลงอยู่ในโลกนะหลงอยู่ในนะอารมณ์ต่างๆนะ การภาวนาจริงๆนะนะเพื่อภาวนาต้องให้มันสาวถึงเหตุของความทุกเนี่ยแหละนะเพราะดึกที่สุดเนี่ยมันคือเหตุมันมีเหตุมันมีปัจจัยถึงเกิดเป็นความทุกข์น่ะขึ้นมาเนี่ยถ้าเราภาวนาไปแล้วมันยังไม่ถึงตรงนี้นะหรือว่าภาวนาแล้วไม่เข้าใจว่าเออไอตรงเนี้ยมันคือเหตุนให้เกิดความทุกข์นเกิดอาการต่างๆเนี่ย มันก็จะภาวนาแบบบางทีก็ไปวางใจไว้ผิดนเนะวางใจไว้ผิดนะการปฏิบัติมันก็เลยผิดวางใจไว้ผิดคืออะไรวางไว้ไว้ผิดคือบางทีเราภาวนาเพื่อจะเอา น, นะไเงี้ภาวนาเพื่อจะอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเอานะหรืออารมณ์ไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอามันละนะ หรือภาวนาแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสงบอะไรแบบนะี้นะอยากจะมีแต่ความสุขตลอดอะไรนะหรือภาวนาแล้วก็ประมาณาว่าอยากจะรู้ตลอดไม่อยากหลงเลยน ะ, นะต้องต้องวางใจดีๆว่าเ อ, อที่จริงเราภาวนาเพื่อเพียงแค่รู้นะตามความเป็นจริงนะเรียกว่าภาวนาเพื่อ ศึกษาความจริงของของชีวิตนะศึกษาความจริงของร่างกายของจิตใจนะศึกษาความจริงเอ่อทำไมถึงเหตุเกิดเหตุเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์อนะไรเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเนะี่ยเราศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงเข้าใจความจริงนะเมื่อไรที่เราค่อยค่อเห็นความจริงนะจิตมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะมันจะค่อยๆรู้ ให้เาเข้าใจนะมันจะวางได้ในแต่ละขณะแต่ละขณะในอารมณ์นั้นเราฝึกสติเนี่ยแหละนะฝึกให้มีสตินะไปในกายหรือไปในใจนะแต่สติไปในกายไปในใจเนะี่ยอย่าไปจ้องที่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้มีสติรู้ตัวแบบสบายสบายเนาะ จะยกมือสร้างจังหวะก็ดีจะเดินจมกรมก็ดีนะหรืออย่างเราสวดมนต์มืดสักคู่เนี้ยนะนะเราก็เพียงแค่มีสติรู้ตัวนะขณะที่สวดนะรู้สึกเอ่อบางครั้งก็รู้สึกถึงกายที่นั่งบางครั้งใจก็รู้สึกถึงนะปากที่ขยับขณะที่สวดนะบางครั้งสังเกตไหมใจมันก็คิดลืมไปนะ ปากขยับแต่ใจก็เผลอไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ส่วนได้นะเอออ่านถูกนะพูดได้นะแต่ทีใจก็เผลอไปนะเผลอออกไปเนยะอันนี้คือการรู้ตัวคืออะไรเนะี่ยเช่นแต่รู้ตัวว่านั่งอยู่ก็ถูกแต่รู้ตัวว่ากําลังสวดอยู่ขยับปากนะก็ถูกจะรู้ตัวว่าใจมันเผลอไปคิดเอออกไปจากเรื่องที่สวดก็ถูกหรือ ตัวปจจัยมันกำลังคิดถึงธรรมะที่กำลังตรวจอยู่ก็ถูกนะคืออาการที่มันเกิดขึ้นขนาดนั้นๆมันเป็นเช่นไรเนาะเรารู้ชัดในอาการเช่นนั้นอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ในบทมันบอกนะอะ่คือสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นมานะรู้ชัดในสภาวะธรรมนั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงงคลอนแคลนนะ เขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวนะหรืออาการนี้เกิดขึ้นมานะรู้นะรู้ชัดว่าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นแต่คำว่ารู้ชัดอีอย่าไปตีความผิดนะว่าแบบมันจะต้องเห็นตัวเองแบบชัดๆได้ไหมคำว่ารู้ชัดคือบางครั้งมันชัดเราก็รู้ว่ามันชัด บางครั้งมันไม่ชัดเราก็รู้ว่ามันไม่ชัดอันนี้คือรู้ชัดคือรู้แบบนี้ เ, นเหมือนกับเหมือนกับแสงสว่างในตอนนี้เนาะมันไม่ชัดมันมีเพียงแค่แสงเทียนในพระาทิตย์ยังไม่ขึ้นเรามองเห็นแสงสว่างขนาดไหนเรารู้ชัดว่ามันสว่างขนาดนี้นพอใจว่า ยอมรับว่ามันสว่างขนาดนี้แล้วอันนี้คือเรียกว่าดูชัดในอาการนั้นๆนะแต่ถ้าเราไม่พอใจนะเอ้ยทําไมไม่เปิดไฟนะหรือเมื่ อ, อไรพระอาที่ย์จะขึ้นมันจะได้เห็นหน้าพระอาจารย์เอเห็นพระพุทธรูปอะไรมาเน่นะนะอันนี้คือใจเราที่มันไม่พอใจในสภาวะนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเออเห็นแบบนี้นะ พอใจในสภาวะที่เห็นแบบนี้เนะนี่ยเรียกว่ารู้ชัดในสภาวะนั้นๆเวลาภาวนาก็เหมือนกันนะอที่บอกว่ารู้กายหรือรู้ใจเนะนี่ยก็อาการของกายอาการของใจมันชัดแบบไหนเราก็รู้มันอย่างนั้นแหละนะไม่ต้องว่ามันจะต้องเห็นชัดๆทุกครั้งทุกคราวนะไม่ใช่ว่าเห็นกาย มันเดินเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนเลยใจแยกออกมาเห็นเลยนะบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเป็นแค่รู้สึกก็ได้เหมือนกันนะหรือเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นมานะบางครั้งก็โอ้มันเห็นชัดมากเลยนะมันหลุดออกมาหลุดออกมาจากอารมณ์ชัดเจนเลยแต่บางครั้งก็เียงแค่รู้สึกว่าเอออารมณ์มันเกิดขึ้นนะแต่ก็รู้อยู่นะแต่มันมันไม่หลุดแบบ ชัดเจนมากนะก็รู้ชัดว่ามันเป็นแบบนั้นนะก็ถูกนะเหมือนกับร่างกายบางครั้งนะบางครั้งมันง่วงนอนมันซึมอะไรนะมันงัวเงียมันไม่สบายนะบางทีร่างกายมันก็ไม่ค่อยสดชื่นถ้าเราก็รู้ชัดว่าอาการของกายเป็นแบบนั้นนะเนะียรู้แค่นั้นแหละไม่ต้องไปอะไรมากเนะี่ย เราอาจจะแก้ไขหรือบรรเทาให้มันดีขึ้นก็ทำนะแต่บางทีขนาดที่ทำมันยังไม่ชัดเราก็ยอมรับมันนะไม่ใช่ว่าทำแล้วแบบโกรธเอ๊ะที่มันง่วงทำแล้วโกรธที่มันไม่สบายนะทำแล้วเมื่อไหร่มันจะหายดีอะไรไถ้าใจเราคิดหรือวางใจมันนี้นะมันจะทุกข์ในขณะที่ทำแต่ที่จริงขนาดที่ทำเนี่ย ก็รู้อย่างที่มันเป็นยอมรับอย่างที่มันเป็นนะทุกขณะทุกขณะทุกขณะนะมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่เร็วลงเนะี่ยใจเราก็รู้แล้วก็ยอมรับทุกขณะเนะี่ยมันจะเรียกว่ามีสติทุกครั้งนะปล่อยวางทุกครั้งนะไม่ใช่ทำไปแล้วก็คิดว่าเออมื่อไรจะดีเมื่อไรจะหายอะไรแบบนั้นนะ อันนี้คือวางใจที่มันถูกนะคือรู้ชัดในอาการเช่นนั้นยอมรับเขานะยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละนะดีที่สุดเลยนะแต่บางครั้งมันก็เผลอนะมันก็เผลอไปไม่ยอมรับหรือเผลอไปลงไหนะลในลมที่บวกที่ดีนะก็ให้รู้ทันนะรู้ทันว่าอะไรรู้ทันว่าเออมันเผลอไปนะ การที่จิตมันรู้ว่ามันเผลอไปเนี่ยแหละก็เรียกว่ามีสติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะบางครั้งก็รู้ตัวเนะอย่างที่เขาเป็นเนะีเช่นเดินก็รู้ตัวว่าเดินเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ามีสติเนะี่ยหรือขณะที่ลงไปคิดหรือลงไปจมอารมณ์แล้วเราก็รู้ทันว่าใจมันลงไปคิดใจมันไปจมอารมณ์อันนะี้อันนี้ก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันนะ สติไม่ใช่ว่ามันจะไม่คิดจะไม่เผลอแต่เมื่อเผลอไปเรารู้อันนี้เขาเรียกว่ามีสติหลงไปแล้วรู้เขาเรียกว่ามีสติหรือไม่เกิดความคิดไม่เกิดความหลงนะก็รู้ขณะที่กำลังทำอยู่กนะายเคลื่อนก็รู้กายหยุดก็รู้ออนะนะ่ก็คือเรียกว่าพยายามนะคาว่าความเพียงความพยายามนะั้นพยายามขยันรู้ นะขยันรู้สึกตัวนะขยันกลับมามองตัวนะมองคนอื่นให้น้นอยๆนะเวลาเราเห็นคนอื่นเ็าทำผิดเวลาอะไรต่างๆหรือเวลาเราไปหลงไปชอบไปเพินกับอารมณ์ข้างนอกนะพยายามรู้ทันอารมณ์นั้นเร็วๆจะได้ไม่หลงไปนนานนะนะคือบางครั้งถ้าคนไม่ปฏิบัติเลยนะมันก็จะหลง ไปนานนะแล้วก็หลงแบบเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเนาะคิดเรื่องนี้จบพอใจเรื่องนี้จบอะไรเนะี่ก็ไปคิดไปต่อเรื่องอื่นต่อนะมันก็เลยยาวนะเพลินนะเหมือนคนดูข่าวดูอห น, ะนังดูอะไรก็แล้วแต่นะมันเพลินนะเวลาพอใจแหละมันจบอันนี้ก็ไปต่อะอันอื่นต่อไปต่อต่อต่อนะเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันก็มีนะ แต่เราให้มันเรียกว่ารู้ได้เร็วขึ้นนะการภาวนาคือการฝึกตัวให้รู้เร็วขึ้นเนะี่ยการรู้ให้เร็วขึ้นได้เนี่ยมันก็อาศัยเทคนิคอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันต้องมีกรรมฐานเบื้องต้นไว้บ่อยๆเนะี่ยกรรมฐานที่เราภาวนาแล้วมันเกิดเกิดความรู้สึกว่าพอใจในการภาวนาแบบนี้แหละนะ ให้รู้สึกแบบนั้นบ่อยนะเดินใช่เราเดินจงกรมนะเออนะเดินเป็นหลักไว้นะมันจะหลงม่จะคิดช่างมันไม่เป็นไรนะมันจะกลับมาตรงนี้ได้หรืออย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกพยายามอย่าอยู่นิ่งๆนะขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวไบ่อยๆนะขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวทุกขณนนะเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นการเรียกว่ากระตุ้นให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้บ่อยขึ้น บางครั้งเราไปคิดอะไรมันจะเหมือนมือออกไปนะพอเวลาเราขยับเช่นเคาะนิ้วอะไรนะหรือกระดิกเท้าเนะี่ยหรือพลิกมืออนะไรนั้นมันจะการดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่มาไหลไปคิดนยะพอขยับปุ๊บนะจิตมันจําสภาวะตรงนี้ได้นะจิตมันเกิดความรู้ตัวเออรู้ตัวว่ากําลังนั่งรู้ตัวว่ากําลังขยับอยู่เนยะนี่คือเราก็ทิ้ง นะทิ้งกรรมฐานในรูปแบบนะหรือกรรมฐานที่ทำเได้เทคก น, น้อยน้อยเนี้ทิ้งไม่ได้นะนะไม่ใช่แบบปล่อยใจฟรีๆนะแล้วก็ออไปดูตามยะถากรรมอะไรเนะีนะ้แนละ้วแต่มันจะดูอะไรนะ ก, ก็ไม่ใช่นะนะแล้วก็มีกรรมฐานอย่างหนึ่งไว้เเนะีนะ่ขยับเคนะยับมือบ้างนะหรือบางคนดูลมหายใจบ้างนะ หรือบางคนแม้แต่บางครั้งมันปุ้งมากนะเอาบริกรรมมาเป็นอารมณ์ช่วยก็ได้นะบางทีขยับมือมันปุ้งแหลกลานเลยะปุ๊งเป็นนานนะบางทีแม้แต่หลวงพ่อเขียนบางทีก็บอกไม่ใหม่บางทีนับช่วยมันก็ได้นะหนึ่งสองสามอะไรไม่ไดมันถึงว่าพลิกมือไปนับไปก็ได้แต่พอจิตมันเริ่มเอ่ ฟุ้งน้อยลงอะไรแบบนี้ก็วางครับนับก็รู้สึกเฉยๆไปก็ได้เดี๋ยววัดครั้งเราเดินนั่นมันฟุ้งมากนะนีหยุดบ้างก็ได้นะหยุดเดินนะรู้สึกว่ากําลังยืนอย่นี้นะขยับตัวในขณะ ท, ที่ยืนให้มันกระดุกกระดิกอ่รู้ตัวขณะ ท, ที่ยืนนะอืะไรแบบนี้น่นะไม่ใช่เดินไปแล้วคิดไปไม่รูกี่รอบนะก็ อ, อยู่ดนิด เรื่องราวที่คิดไปเรื่อยนะบางทีมันพุกงมากก็หยุดมันบ้างออออทำอย่างอื่นให้มันรู้สึกตัวนะอย่าเนี้บางทีเราทำแบบเรียกว่าทำแบบอะไรละ่ะเป็นไปแบบอัตโนมัติแบบเดินก็เดินไปยกมือก็ยกไปไม่รู้กี่รอบกี่ท่านะ แต่ก็ลงไปคิดด้วยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ค่อยได้ไประโยชน์มันเพียนแค่ข้างนอกน ะ, ะเพียนแค่ข้างนอกแต่ต้องเพียนข้างในคือเนี่ยใจถ้ามันสภาวะตรงนี้มันแรงมันมันไม่ไหวก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะอาศัยการหยุดมาช่วยนะอาศัยบริกรรมมาช่วยอะไรน ะ, นะพอมันดีขึ้นอ่ะก็วางมันไป ไม่ใช่ว่าติดนะเราใช้เป็นเหมือนเครื่องมือนะเหมือนร่างกายมันไม่สบายนะมันก็ต้องกินยาช่วยน ะ, ะแบบปล่ อ, อ, อยให้มันหายเองมันก็อาจจะได้นะแต่มันนานนะหรือบางทีบางอย่างไม่กินยาเลยก็ไม่หายนะเป็นหนักกว่าเก่าอนะแต่จิตมันฟุ้งมากๆก็ต้องช่วยมอนบ้าง น, นะช่วยนะทําให้มันชัดขึ้นนะหรืออาศัย บริกรรมมันชัดขึ้นอาศัยการหยุดบ่อยๆเพื่อรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยนะต้องเอาใจมาช่วยนิดนึงนหรือบางครั้งมันทนําแล้วมันเบื่อมันท้อมันง่วงนะบางทีก็ก็ไปทําอย่างอื่นที่มันช่วยให้มันเกิดความพอใจในเนะมากขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะสวนมนต์เออเอาหนังสือทรรมวัดมาอ่านนะเพื่อให้เกิด เหมือนกำลังใจอ oh. เอาธรรมะที่เนีพระพุทธเจ้ า, าท่านตัดไว้นะหรือเอาตัวอย่างจากพระอาหารหันต์ที่ท่านภาวนาแบบไหนนะเห็นเป็นกำลังใจนะเกิดความเพึ่เขิมในการทำ ค, ความเพียรขึ้นเนี่ยก็ได้นะในการเสริมในการช่วยตัวเองเพราะบางทีเราภาวนาทั้งวันนะโอ้จะเอาแต่ จะเดินจะนั่งตลอดแค่นั้นบางทีมันก็อารมณ์บางครั้งก็เบื่อมันก็ทอนะ เ, ออเราก็ต้องช่วยตัวเองบ้างบางทีช่วงนี้มันนั่นนะสวดมวนดนิดนึงให้จิตมันกลับมามีความเรียกว่ามีความสุขมีความผ่อนคลายขึ้นนิดนึงมันเครียดเกินไปอะไรแบันั้นนะ บางทีภาวนาแล้วมันมือมันตึงเทรี่ดเกินไปเดินจากตรงนี้มันตึงนะเดินเล่นบ้างนะเดินเล่นเล่นนะรอบๆบวัดบ้างอนะให้มันผ่อนคลายบ้างเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นอุบายนะที่เราเองะต้องต้องสังเกตตัวเองแล้วก็แล้วก็หาก็ใช้มันดูนะใช้มันดูเราต้องจับอุบายตัวนี้ให้มันได้จับหลักให้มันได้ด้วยนะ แล้วก็พลิกแพลงอุบายให้มันได้ด้วยนะแต่ตัวเนี้ยมันจะทําให้การภาวนามันเรียกว่าเราจะพึ่งตัวเองไดนะ้อาศัยหลักจากการฟังอาศัยหลักจากการอ่านบ้างนะแล้วก็อาศัยอุบายในการพลิกแพลงนะในการสังเกตนะทำแบบไหนแล้วรู้สึกตัวดีนะทำแบบไหนแล้วมันออแพ้อารมณ์แพ้ นั่นนี่นะเราก็จะได้รู้ว่าเออทําแบบนี้แล้วมันดีทําแบบนี้แล้วมันไม่ดีนะแต่จริงดีไม่ดีนะบางทีก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะหรือแต่ละขณะบางทีก็ไม่เหมือนกันนะมันเป็นแค่แค่อุบายนะแต่ถ้าเราจับหลักได้อ๋อเออมันเป็นแบบไหนรู้อย่างนั้นนั่นแหละะใจพอใจในการรู้แบบนั้นแหละเอมันจบนะเอจบนะอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นที่ใจมันจบได้เร็วขึ้น ก็ฝากไปเนาะเพราะบางทีเราก็ต้องภาวนาต น, นเองนะบางทาก็นิดๆหน่อยๆนะใ น, น, น, น, นแต่ละวันเนี่ยพยายามซ้อนตัวเองบ่อยๆนะซอนตัวเองบ่อยๆนะแต่ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะทําแบบสบายๆทาไปเรื่อยๆทําบ่อยๆนะสังเกตตัวเองซ้อนตัวเองฝุกตัวเองนะ ฝึกตนเองอะไรดัดนิสัยตัวเองว่างอะไรบางอย่างนะมันขี้เกียจขี้คานก็ดัดมันนะมันเห็นแต่กินเห็นแต่นอนก็ดัดมัน น, นะนะเราก็ต้องดัดบ้างนะบางทีเนอะถ้ามันไม่ดัดเลยมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ตามความเคยชินอนะแต่ถ้าดัดมากเกินไปอาจจะหักอีกเพราะไม่เอาอย่างนี้นะ อ, อ, อดนอนเลยอดอาหารเลยบางทีบางคนไม่ไหวนะ ก็ก็ต้องดูดูสภาวะนะแต่ละขณะนะอย่าไปทำตามเรียนแบบคนอื่นนะต้องทำแบบของเราเองนั่นแหละนะนะนะก็ฝากไว้